เพราะฉะนั้นถ้าเทียบระดับธรรมดาไม่มีอะไรไปเปรียบได้อนูประมาเกินกว่าที่จะเปรียบอตุละเตชะสะผู้มีเดชคือยานอันชั่งไม่ได้เนี่ยนะไม่รู้เอาอะไรเป็นเครื่องตวงเครื่องเป็นมารเป็นเครื่องวัดเช่นนที่ภาษาริบบตทท่านบอกว่าอะไรนะน้ำก็ไปเปรียบกับพระองค์ไม่ได้นเปรียบกับพระยานไม่ได้แผ่นดินก็เปรียบกับพระองค์ไม่ได้อากาศก็ยังเปรียบ ไม่ได้เพราะพระยานของพระองค์นั้นอตุระเตชัสัผู้มีเดชคือยานอันชั่งไม่ได้เปรียบเทียบไม่ได้ตักตวงไม่ทเทว่าไม่รู้จะอะไรเป็นเครื่องวัดเครื่องเป็นมาศไปตวงไปวัดบทว่ามหาตามะปวาหนาะได้แก่ยังโมหะใหญ่ให้พินาศคือกําจัดโมหะความมืดความโง่ความเคล้าความไม่รู้แจ้งแทงตลอดอริยศาสตร์ทั้งหลายนั่นเองสมัยต่อมา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 อย่าลืมว่าจํานวนมากแบบนี้โดยมากเป็นเทวดาเนี่ยนะผู้ที่ตรัสรู้โดยเหตุนั้นพระองค์จึงตรัสว่าอภิสมัยครั้งที่1พระพุทธเจ้าทรงยังสัตว์ร้อยโกรธให้ตรัสรู้อภิสมัยครั้งที่สองพระจอมปราศทรงยังสัตว์ให้ตรัสรู้เกโกรธครั้งที่พระปทุมะพุทธเจ้าทรงโอวัภพระโอรสของพระองค์อภิสมัยครั้งที่3ได้มีแก่สัตว์ประมาณ80โกรธครั้งนั้นพระเจ้าสุภาวิตตะ มีพระราชบริพารแสนโกรธผนวดด้วยเอหิพิกขุบรรปชาในสํานักของพระปฐุมพุทธเจ้าผู้มีพระพักดังดอกปฐมบาลเพราะว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยแย้มเหมือนดอกบัวบานน่ยนะไม่ใช่ดอกบัวเฉาอ่ะนะคนละอย่างดอกบัวบานที่เออบอิ่มพรั่งพร้อมเนี่ยนะพระผู้มีพระภาคทรงยกปาติโมกข์ขึ้นแสดงอันนี้เป็นสาวกสันนิบาตครั้งที่หนึ่งสมัยต่อมาพระมหาปฐมพุทธเจ้า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 พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงธรรมโปรดชนเหล่านั้นมนุษย์เป็นอันมากในที่นั้นมีจิตเลื่อมใสพากันบวชต่อจากนั้นพระทศพลทรงประเณาวิสุทธิประเณากับภิกษุเหล่านั้นภิกษุจำนวนสามแสนและอื่นๆนี้เป็นสะาวกสันิบาตครั้งที่สองพูดถึงผู้ที่ก็ตรัสรูม้มากๆเยอะๆเนี่ยนะถ้าเป็นเมื่อก่อนเนี่ยสงสยัยมจริงหรือมจริงหรือ แต่ว่าไปอินเดียเมื่อครั้งหลังสุดเนี่ยนะมันเห็นคนอะไรมันจะเยอะขนาดนั้นไม่มีอีกแล้วมันเยอะมากมันมีงานอยู่งานหนึ่งที่เมืองอายุทยาที่ที่เขาทะเลาะกันบ่อ ย, อยเมืองอายุทยาเนี่ยมันจะทางผ่านระหว่างเมืองสาวัตถีไปเมืองออรัฐของอุตรประเทศนะเมืองหลวงของรัฐอุตรประเทศชื่ออะไรนะลักเนาอะ่ะจากสาวัตถีไปลักเนามันจะมีผ่านที่เมืองศักดิ์สิทธิ์อะไรก็ไม่ทราบของเขาตรงนั้นนะ ทะเลาะกันมันแย่งกันแย่งวิหารแย่งวัดวัดเดียวเนี่ยที่มันฆ่ากันบ่อยๆอ่ะนะทีนี้มันมีคนที่มาประชมเนี่ยนะมันคนมันเยอะมากเลยอะ่ะทีนี้ไอ้เยอะไม่ว่าทีีเราก็นั่งรถใช่ไหมนั่งรถประมาณ 20-30 มกิโลมีนักปั่นจักรยานเนี่ยนะเป็น 10-10 คันเนี่ยยาวเป็น 30-40 ี่กิโลเนี่ยนะ และไอ้คนที่อยู่ที่ประชุมตรงนั้นมันก็เป็นหลายเป็นหลายหมื่นหลายแสนอยู่แล้วใช่ไหมและไอ้ที่หนทางแนละอันนี้ถนนเส้นเดียวและเส้นอื่นๆเนี่ยจะขนาดไหนคนมันมากจริงๆเลยนะมันถ้าพวกเหล่านั้นมีบุญแล้วพระพุทธเจ้ามาแสดงธรรมนี่ได้บรรลุกันเยอะแยะวันจํานวนที่ว่าเขาว่าบรรลุมากๆนี่เชื่อได้เลยว่าเป็นไปได้จริงๆอย่างพวกเราเนี่ยนะนั่งอยู่ในห้องเนี่ยโอย้ดูเหมือนเยอะนะตรงนี้ถ้าไปสถานีรถไฟเขานะี่ยหลงหมดเลยหายไปหมดเลยพวกเราเนี่ยเป็นชนกลุ่มนี้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 ต่อไปพูดถึงงานกระถินว่าชนเหล่าใดยังไม่บวชในครั้งนั้นชนเหล่านั้นฟังอา น, นิถงอา น, นิสงของกระถินแล้วก็พากันถวายกระถินจีวรที่ได้อา น, นิสงห้าในวันนั้นในปาติบทเดือนห้าแต่นั้นพิสูุทั้งหลายอ้อนวอนพระสารีรถพระธรรมเสนาบดีอัครสาวกผู้มีปัญญาภัยศาล เพื่อกรารกรถินก็ได้ถวายกรถินจีวรแก่พระสารีระนั้นเมื่อกรถินจีวรของพระเถระอันภิสุทั้งหลายพากันทําอยู่ภิกษุทั้งหลายก็เป็นสหายช่วยกันเย็บฝายพระปฐุมะสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงร้อยได้เข้ารูเข็มประทานคือพระพุทธเจ้าอะไรนะร้อยได้ใสเข็มอ่ะนะร้อยได้ใสเข้าไปในเข็มเรียว่าเรียกว่าร้อยเข็มให้พิษุก็ช่วยกันเย็บเหมือนกัน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 ขนาดพวกอะไรนะพวกประทวงมันอยู่กันได้ยังไงเป็นเดือนๆก็มไม่ได้อยู่กันสองคนที่ไหนใช่ไหมยังอยู่กันได้กินกันได้ยากจนขนาดนั้นยังอยู่กันได้และจะกล่าวไปยายถึงพระอริยเจ้าผู้มีบุญเหล่านั้นไม่ต้องห่วงท่านหรอกบางคนห่วงท่านนะเอะท่านไปอยู่ยังไงท่านไปฉันยังไงท่านจะปรินิพพานแล้วไม่นานหรอกแต่พวกที่อยู่ในวะตะัตตานี่สีหน้าสงสาร จะอยู่ต่อไปยังไงจะไปเกิดในคันที่ไหนจะไปอยู่ตรงไหนจะไปทานอะไรไปหนุ่งอะไรไปหอมอะไรพวกที่อยู่ในสังสารวัฏนี่น่าเป็นห่วงมากกว่าเยอะเนี่ยนะสมัยต่อมาพระพุทธศีหาประดุดบุุษสีหาผู้ดำเนินไปด้วยความองอาจดังราชสีพุทธศีหาคือพระพุทธเจ้าผู้เช่นราชศีองอาจไม่ขั้นคร้่รม ฆ่าบาปอากุศลธรรมทุกชนิดมีความอดทนพระองค์นั้นเสด็จเข้าไปจำพรรษาณป่าใหญ่ไม่รู้พระพิสุทะทเลาะกันแล้วนี้ไปอยู่ป่าเหมือนพระพุทธเจ้าของเราหรือเปล่าไม่ทราบแต่นี้คงไม่ใช่หรอกพระองค์ก็เข้าไปจำพรรษาที่มีดอกไม้หอมอย่างยิ่งผลไม้เป็นพวงมีกิ่งก้านอันอ่อนโนม้มมีค่ามีค่าคบไม้เหมือนป่าโคสิงฆาสารวัน บริเวณบริบูรณ์ไปด้วยห้วงน้ําที่เย็นอร่อยประดับด้วยบัวก้านบัวสายไร้มนทินเป็นที่สัญจรของหมู่เนื้อเช่นกวางจามรีราชสีเสือช้างมา้าโคกระบือเป็นต้นอันฝูงแมลงผู้และพึ่งสาวพึ่งสาวนี่เป็นพึ่งยังไงพึ่งที่มีใจติดกับกลิ่นดอกไม้หอมกลุ่นเนี่ยนะพึ่งสาวๆไปดูสวนนั่นน่ะพวกกลุ่มเนี่ยสายพันธุ์ผีเสือ้อกลุ่มนี่แหละชอบดูสวน บินว่อนตอมหมาว่าบินตอมว่อนเป็นฟูงฟ้งๆโดยรอบอันเหล่านางนกดว้วามีใจเบิกบานด้วยรถผลไม้ส่งเสียงร้องไเรอ้อแผ่วเบาคล้ายขับกล่อมอยู่หน้ารื่นรมย์อย่างยิ่งสงัดปราศจากผู้คนเหมาะแก่การประกอบความเพียรพระตถาคตทศพลพระธรรมราชาพร้อมทั้งบริวารประทับอยู่ณป่าใหญ่นั้น พระองค์รุ่งโรดด้วยพระพุทธสิริมนุษย์ทั้งหลายเห็นแล้วก็พากันฟังพระธรรมของพระองค์ก็พากันเลื่อมสายบวช ด, ด้วยเอหิภิกุบรรปชาครั้งนั้นพระองค์อันภิกษุสองแสนแวดล้อมแล้วก็ทรงปวรนาพันสามมีสาวกสันนิบาตสครั้งนะทั้งศาสนามีการประชุมใหญ่ๆของผ้าหันสามครั้งครั้งที่1มีภิกษุประชุมกันเท่าไหร่แสนโกรเนี่ยนะ คาว่ากโกรธนี่ก็เป็นตัวเลขที่ที่สมัยนั้นเขาเข้าใจกันเป็นอย่างดีในสมัยกรานกะทินเมื่อกถินนะจีวนเกิดขึ้นภิกษุทั้งหลายเย็บจีวอนเพื่อพระธรรมเสนาบดีครั้งนั้นภิกษุเหล่านั้นไร้มนทินมีอภินญาหกมีฤทธิ์มากไม่แพ้ใครจำนวนสามแสนโกรธประชุมกันต่อมาเอกพระนราสภาพพระองค์นั้นเสด็จเข้าจพาพรรษาณป่าใหญ่ครั้งนั้นเป็นการประชมุม พิสูจประมาณ20งแสนโกดถ้าตามศัพท์แล้วเนี่ยจะต้องแปลว่า20งแสนเฉยๆเนี่ยนะไอ้คำว่าโกดเนี่ยก็เป็นตัวเลขอะไรไม่ทราบทวินังสะตะสห ส, สินังเนี่ยนะแปลว่า 200,000 ก็พิษูจน์จำนนประมาณ 200,000 ครั้งนั้นเมื่อพระตถาคตประทับอยู่ณนไะภัยสนนั้นพระโพธิสัตว์ของเราเกิดเป็นราชสีเนี่นะโอ้ยกล่าวว่าสำหรับผู้ที่ยังท่องเที่ยวไปในวัดตะเนี่ยนะ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 กระทำประทักษิศลเกิดปีติโมสมนัสบัลลือีหน่าสามครั้งดีนะว่าบัลลือศหนาาพระพุทธเจ้าได้ยินไม่ตกใจถ้าเป็นพวกเราเนี่ยหนีตะเลิดปตัวหมดเเสืออะไรมาคำรามแถวนี้นะยุ่งเลยนะราชสีนั้นก็ไม่ละปีติคื อ, ค, อคือเห็นพระพุทธเจ้าราชสีความที่สั่งสมบุญสั่งสมพุทธคุณมามากเห็นแล้วก็ปีติดีใจมีพระพุทธคุณเป็นอารมณ์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 ราชสีก็ยังจิตใจให้เลื่อมใสในพระสงฆ์พระศาสดาทรงตรวจดูจิตของราชสีนั้นแล้วก็ทรงพยากรณ์บอกว่าในอนาคตราชสีตัวนี้จกเป็นพระพุทธเจ้าพระนามว่าโคตมะเพราะฉะนั้นพระองค์ตรัสเล่าให้พราษารีบทฟังว่าสมัยนั้นนะเมื่อหนึ่งอสงไขยแสนกัปที่แล้วนั้นเราเป็นราชสีเจ้ามารึก ได้เห็นพระชินะพุทธเจ้าผู้เพิ่มพูนความวิเวกอยู่ในป่าใหญ่เราใช้เสียรกล้าวถวายบังคมพระบาทกระทาประทักษศินพระองค์บรรลือศีหนาสามครั้งเข้าไปเฝ้าพระชินะพุทธเจ้า7วันเรากเฝ้าอยู่เลยเจ็วันเจวันวันที่เจพระตถาคตก็ออกจากนิโรสมาบัดทรงพระดำริ ด, ด้วยผาฮฤทยัยนำภิกษุมานับโกรธ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 สรีระของพระองค์สูง58ศอกมีพระชนมาายุเกิดในช่วงมนุษย์อายุแสนปีพระองค์มีอัครมหสีพระนางอุตราผู้ยอดเยี่ยมโดยรูปเป็นต้นโอรสของพระองค์หน้ารื่นรมอย่างยิ่งชื่อว่ารัมมะกุมารก็เรีว่าหน้ารื่นรมนี่นะพระองค์เขาบอกว่าแสงจันทร์แส ง, แสงอาทิตย์แสงรัตนาะแสงไฟแสงมณีเหล่านั้นเนี่ยนะพอมาสู่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 สลักใบคือเรียกว่าจิตใจไม่อะไรเหมือนงูลอกคราบเก่าหรือเหมือนต้นไม้สลัดใบเก่าแล้วก็ดับขันธัปปรินิพพานเหมือนดวงไฟที่สิ้นเชื้อเนี่ยเหมือนประทีปที่สิ้นเชื้อฉนั้นเนี่ยนะเพนสังขารทั้งหลายว่างเปล่าแท้เนี่ยนะถึงพระพุทธศาสนาของพระพุทธเจ้าพระองค์นี้ก็หมดไปแล้วเนี่ยนะผ่านไปเมื่อหนึ่งอสงไขยแสนกัป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 พุทธเจ้าเหล่านั้นทุกพระองค์ด้วยกันทั้งทุกท่านนะนโมโทนาวันนี้ใช้เวลาแต่เพียงเท่านี้น